เราเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ทั่วๆไปเป็นเหตุการณ์ล้นลับเหนือวิสัยและความสามารถของมนุษย์ที่จะมองเห็นและสัมผัส นั่นคือการที่อัลลอฮฺสุบันวะตาให้เมเลกะได้ลงมาช่วยท่านนบีซอลตัวโห์เลยสัลในสงการซึ่งความช่วยเหลือของมเลกะนี้ถือว่าเป็นม่งคีส์เป็นหลักฐานยืนยัน ในความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยซิลอ็ะกจากว่า صحاب ี่ิดาอยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นผู้ศรัทธาแล้วเขาไม่ต้องการม้อดีษฎหรือหลักฐานมายืนยัน ว่าท่านในมุฮัมมัดเป็น رسول และสิ่งที่ Allah ทำให้เนี่ยเพิ่มพูนอิ ม, มอามรดิศาส์นี้ก็จะเป็นหลักฐานยืนยันสำหรับคนที่ต้องการยืนยันในความถูกต้องในสัจธรรมของนาบีและรสน คือยังไม่ได้เชื่อไงว่าว่าเป็นนบีไม่ได้เชื่อามีุรอ่านแต่สิ่งที่มันเหนือวิสัยแะนี่คือความหมายของคมมะนี่เอกพจน์มัวดีจะพระพุทธมัวดีจะ สิ่งสิ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยหมดปัญญาอธิบายก็ไม่ได้ตอบโต้ก็ไม่ได้ต่อสู้ก็ไม่ได้นี่คือความหมายของโมหะจีระการกระรมะบันเราก็เรียกกันกรรมกรรมวลี กรอมาเนี่ยทั้งสองอย่างนี่มันก็มีความเป็นอภินิหารนะความเหนือวิสัยเหนือความสามารถปกติของมนุษย์แต่โมจิจานี่มีข้ออ้างว่าคนที่ได้มาเนี่ยเป็นรสรมามาแต่กรอมาเนี่ยไม่มีข้ออ้าง คนที่ได้กรธระมก็คือได้กรธรรมหรือได้สิ่งเหนือวิสัยเนี่ยไม่ได้มาอ้างว่าเขาเป็นรสูนแล้วไม่ควรแอ บ, บอ้างกรธระมต่างๆในความววิสัยของเขาเหนือกว่าคนอื่นมัวดีใจเนี่ย บรรดาเนบีไม่มีทางเลือกที่จะต้องเปิดเผยเพื่อยืนยันในความเป็นเนบีเพราะบรรดาเนบีไม่มีสิทธิ์จะบังคับอัลลอฮฺสุบฮานาอูแวลาให้ประธานง้อจีสาตอย่างหนึ่งอย่างใดนี่เป็นวิสิทิของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวลาเท่านั้นและถ้าอัลลอฮอนุมัติแล้วเนี่ยว่าให้มีม้อจิสาตนั้น ก็จะให้คือมวนอมันต้องปรากฏไงมันต้องปรากฏให้คนเห็นเพื่อยืนยันว่าคนนี้เป็นนบีของฉันนะแต่กรามารัดเนี่ยไม่จาเป็นกรามารัเนี่ย จ, จะเป็นกําลังใจให้เบาขอลอคนคนหนึ่งว่า อ, อดีนะฉะนั้นไม่ควรที่จะ แอบอ้างความวิเศษของเขาไม่ควรที่จะโอ้อวดด้วยการมบาลอ๋อสวีการาตาลเองเป็นใครกัลุกกําแพงยังเจอมาแล้วขอากไม่คุยไม่คุย ต้องบินตง้งทะลุกำแพงก่อน น, ะ น, ะ น, อนู่นะ น, น, น่ะไปอานนู่นนะเป็นเงิ่อนไขตัวบอกไม่ได้แลวนะไม่ควรแอบอ้างและถ้าได้มานี่ก็สมควรที่จะปกปิดกอรมาตนะสมควรนี่จะเพราะการตั้งใจที่จะ ทังใจที่จะเปิดเผยให้คนรู้เนี่ยอาจจะเป็นการแบบอบอ้างหรือเป็นการโ อ, โอ้อวดฉะนั้นเป็นมารยาทเป็นจริยบัณของบรรดาวลีเนี่ยคนใกล้ชิดกับรอนเนี่ยถ้าเขารับกอรรมัตย์เจ้าก็ลสุภาณวะฒิานนเขาจะเขาจะไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากจะให้ใครรับรับรู้ แล้วก็จะขยันในการขอบคุณขอสุภาพน้องผมก็ผมก็แนะนาคนหลายคนนะบางทีนี่ก็ที่เข้ามาถามกันหนึ่งทำนายฝันเนี่ยมีคนไปเานำบัตรของผมไาไปยังไงว่าเป็นหมอตูฝันเห็นยังก็ ยังกับแสงสว่างยังกับดวงนู่นยังกับดิงอะไรดีๆทั้งนั้นน่ะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องวิเศษมันไม่ควรที่จะมาเล่าเอาอยากจะบอกว่าอะไรหมายถึงว่าเองได้กระมัติมาใช่ไหมจะให้เราพยากรจะให้เราทำนายฝันแบบนี้ใช่ไหมไมีคนเล่าไงเออดีๆไม่ต้องไม่ต้องเล่า นน่นะพี่ต้องได้ฝันเห็นอะไรหรือบางทีเนี่ยไม่ได้ฝันนะบางทีเนี่ยจะเห็นจะจระเลยเป็นกรามาห์นะเห็นจระจระเลยสัตว์คุยด้วยอะไรเงี้ยไม่เพียนนะเพ้ยนนะอไม่เพี้ยนนะสัตว์คุยด้วยหรืออะไร เ, น, เนี่ยไม่เพี้ยนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอ า, าเลัทธิสวรรค์ส่งสัญญาณหน่องเาทีเรากายกําลังใจ บางทีบางทีคนคนดีของน้อ น, นี่จะแบบว่าเครียดเครียดเพราะถูกต่อต้านเพราะนึกว่านะนึกว่านึกว่าแนวทางของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีใครเอาด้วยกับเขานะทำให้เขาอาจจะท้อแท้แล้วก็ จ, จะให้กราวะเพื่อเป็นกำลังใจ ก็เป็นกำลังใจและผมเชื่อนะครับว่านักต่อสู้ในคนทังนราสุภานโนที่เขาประสบกับความลำบากกับความทุกข์ทรมานแบบสาหัสแบบที่มนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยปฏิชนเนี่ยก็ทนไม่ได้นะแต่เราเห็นว่าเขาก็ทนได้เนะี่ยผมเชื่อว่า พวกนี้อ๋อเราต้องสองเซตเนืน้นออาณสักอย่างนี่ให้เขานี่ยืนหยัดให้คนสู้ไม่งั้นนะแต่คนอื่นนี่ก็ไป บ, บายแล้วหนทางแบบนี้คนเราเนี่ยแค่ขับรถนี่หลงไปสองสามกิโลเนี่ยกลับบ้านแล้วมไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยแต่นี่เส้นทางชีวิตเนี่ยบางที สู้นี่ไม่มีใครเอาด้วยกับเราเลยเฮ้น้องเราถูกด้วยผิดเนี่ยนะเราถูกหรือผิดเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยคนจะมาสร้างความสับสนเฮนะ <c oughs> ้มีผู้รู้เอากับแกเลยพี่น้องตัวเองก็ยังไม่เอาเลยทำทำให้เอ้ทิ้งด้วยมันเป็นงไงกันเนี่ย ความท้อแท้นี่มันเป็นสิ่งที่ทุกทรมานที่สุดสำหรับสาหรับผู้รู้นี่จะบอกใครคือจะ ต, อต่อสู้กับอุปสรรคทางทางธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั่วไปน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ไปขืนกับกระแสของมนุษย์ด้วยกันบางทีเนี่ยก็มันก็มีสถานะเหมือนกัน ผู้รู้ก็เหมือนเดิาก็เ้าก็อ้างเ้าก็อ้างนู่นอ้างนี่เราตกลงมันใช่ไหมที่เรากำลังพูดอยู่มันใช่หรือไม่ใช่แต่แต่กรรมะกรรมะนี่ก็ต้องละเอียดออนนะเพราะบางคน่ก็หลงหลงกับกรรมะ หมายถึงว่ากรรมานี่อัลลอฮ์ให้มาในช่วงที่เขาถูกต้องนะถูกต้องแต่เขาเนี่ยเอามาแอบอ้างหรือมายืนยันย้อนหลังหมดแหลยหมายถึงว่าช่วงหนึ่งเขาถูกต้องอลราก็ให้กรรมฐานเขาจะได้รู้ว่าอันี่อัลลอฮ์ให้กําลังใจนะแต่ที่หลังนี่หลง หลงที่หลังนี่หลงนะแต่เขาก็ยังอ้างก็รู้มันไม่ยังไม่ก็มันเนี่ยจำได้ไหมไแบบเนี้ยมันก็มันก็ชวนหลงเหมือนกันแต่สําหรับบรรดานับดุลลาฮ์สูลในวัดอิสาของเขาเนี่ยถาวรถาวรเพราะมันมีข้ออ้างว่าเขาเป็นนบีและความเป็นนบีเนี่ยมัน มันเป็นสิ่งที่นิรันดร์ตลอดมันไม่ได้เปลี่ยนไม่มีไม่มีปรกากฏการณ์เราแต่งตั้งให้ใครเป็นนบีแล้วก็ยกเลิกแล้วก็ถอนความเป็นนับบี้แม้กระดันท่านดบียูนัสที่เราสั่งให้ไปเทศนาไปไปดาวะแล้วตัวท่านดบียูนุสเอง ถอยท้อท้อแหละน่็นคือกุ่มชนไม่เอาด้วยกับเขาแั้วก็เลยหนีโดยที่ม่ดีขอนี้อาจจะกำลังสุบักแล้วก็ไม่ถอดถอนความเป็นน บ, บีลงโทษท่านนบียู่นิดนบีอยู่ท้ อ, ทองป่าเนี่ยจนท่านน บ, บีอยู่นึกนสำนึก แลก็ต้องบัดตัวเก็กเลยให้กลับมาทำหน้าทีบนบนบนบ่ทเป็นนับิตัวในช่วงสงครามบัดร่เป็นครั้งแรกที่มุสลิมินจะประทะกับมุสลิกินแต่อุลามาคือโดยเฉพาะนักปรรสานนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นการประทะระหว่างเพียงมุสลิมสามร้อยคนแล้วกมุชลิกินพันคน ใช่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนสงครามบัดเรสงครามปีที่สองที่จุรัตนนะแล้วก็ก่อนในนี้เนี่ยบีเนี่ยอยู่ที่มกกาการเนี่ยสิบสาปีดาวะสิบสาปีกับสองปีเนี่ยเท่าไหร่ละสิบห้าปีสิบห้าปีนี่นะข้าวนี่ไปถึงทุกทก ท, กทุกส่วนของคาบส ม, มุทรอาหรับละประชากรนี่มา ก, การเนี่มีมีเท่าไหร่หมืม่มมนกว่าคนอาจจะไม่ถึงหมื่นประชากรนี่มาดีน่านีเท่าไหร่จะไม่ถึงหมื่น ใช่ไแล้วท <Jonas> ี่ค <employers> ร <hip caminho> ับแล้วที่เหลือในที่อยู่ที่ครับสมุดอาร์ลำละไม่มีใครไม่มีใครแสดงท่าทีว่าเป็นฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช่เขาบอกว่าเพราะประชาประชากรส่วนมากนะส่วนมากก็เป็นประชากรก็รอท่าทีของสถานการณ์ มนุษย์ส่วนมากนะเร า, าท่าดีของซเสือนะดูก่อนดูก่อนใครจะชนะถ้ากูได้นชนะอะนะดูกูเขา่ามนุษย์ส่วนี้กูนี่แหละที่ทำให้สัจธรรมนิเสียเปลี่ยนไม่ได้ดูทีทีเนื้อหาของความถูกต้องใครจะชนะนี่ แล้วนี่คือเหตุผลว่าเด็กสมประชาธิปไตยทําไมคนส่วนมากเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงไปเลือกไม่ได้ลงไปเลือกแล้วคนที่ลงไปเลือกนี่ก็เลือกเลือกด้วยกระแสด้วยกระแสกระแสสื่อกระแสสตางค ชาวอรับส่วนมากนะเราเฝ้าดูสถานการณ์ดูก่อน้วกูได้ชนะเราก็เอาเข้ากุรดถ้ามุฮัมมัดชนะเราดูแลเมื่อกดงคนที่เขาบอกว่าดูนบีมุฮัมมัดก่อนนะถ้านบีมุฮัมมัดนี่ได้เรื่องนะถ้ามุฮัมมัดนี่ได้ได้เรื่องนะก็จะก็จะรับอิสลามนะนั่นก็ต้องดูด้วยนะรับอิสลามแล้วเนี่ย จะแต่งงานเพมีลูกเยอะไหมแล้วจะเลี้ยงปัสุศก์เพื่มีคนผลิตเยอะไหมแต่ถ้าหากว่าแต่งงานเป็นหมันไม่มีลูกเนี่ยเลี้ยงปัสุศก์แล้วก็เจ๊งอ่ะเงี้ยโอ้ยแสดงว่าศาสนานี้ไม่มีบรรยากาศดกุออกดีกว่าก็มีก็มีแบบนี้ลอฮซุฮันาะวะตะละกันเ้ ت م ن كلّني من الناس <سؤال> ما ي ع ب د الله على حرف سورة ا ل ن ب ي ا ن أصابه خير ن م ا ن ب ي وإن ص ب ّ فتنة قلب على وجه خسر الدنيا ولاخر. هكذا رأى حن بيد. إكّن نين ในการ توضيح. كلاه نية توضيح رقّام يقّام. ماذا؟ مين جدّ o ا m قام لا. مين بشارتي بتعين؟ ตรวสอบดูความยะนะืดกร ะ, สะแสนีเยอะแค่เยอะแค่ไหนนั่นนะ <c oughs> แล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็คือดรงผลประอยน่ฉะนั้นสงครามว่าจะเนี่ยมันสำคัญมากเพราะคนทั่วข้าวสมุทรระับนี้รอคอยสงครามเกิดขึ้นระหว่าง ท่านบีมุฮัมมัดและกพวกมุฮัจิรนพวกอังสอรและก็ชาุครชอัลลอฮุซุฮการ์ลอจึงเรียกสงคำนี้ว่าวันนี้นะก็เยามันฟุรควอนวันแห่งการจำแนกจำเนก ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนได้จำแนกได้เห็นชัดทั้งมุสลิกมเพราะฉะนั้นคนส่วนมากชาวกลเดชเนี่ยเกือบพันคนใช่ไหมเสียชีวิตเจ็ดสิบห้าเสียชีวิตเจ็ดสิบห้าถูกจับเป็นชะเลยเนี่ยเจ็ดสิบกว่าร้อยห้าสิบที่เหลือนี่ก็ประมาณ 8ป0ร้นี่นะละพันหนึ่งสี่พันหนึ่งนะเจสิบห้าเสียชีวิตเนี่ ย, สยแสดงว่าที่รอดเนี่ยเก้า2 5ย้ายห้านี่เห็นกับตานะเห็นกับตาสิ่งที่ไม่ได้ชืวอ ก็คือสิ่งนั้นโดยเฉพาะในสิ่งเรื่องนี่ก็คือเรื่องมาเลาย์ค่ะเฉลยคนหนึ่งถูกลากมา <c oughs> ถูกลากมาแล้วก็มุสลิมที่ลากมาบอกว่านายบี ir, ครับผมนี่เป็นคนจับคนนี้มาไอ <c oughs> ้คนมุสลิมไม่ใช่คนนี้คนนี้จับคูณนี่ไม่ใช่คนนี้คนตัวใหญ่อ <c oughs> ะไรทั้งมาเลายะ์ะจากหลายเรื่องที่เคยเล่าเนี่ยก็แสดงว่า พวกมุสลิมินก็ดีพวกมุสลิมินก็ดีนี่ก็ได้เห็นได้ยินโดยเฉพาะเรื่องการลงมาของมาเลกาที่มาช่วยฝังมุสลิมินนและทุกวันนี้นี่ก็อย่างที่เคยนําเสนอภาพมันทุกวันนี้นี่ก็ยังมีภูเขาลูกหนึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเรียกว่าเจเวลเอลมาเลกาภูเขามาเลกาก็คือที่มาเลกาลงมาจากทิศทิศภูเขาหนึ่ง โจบุรีลมกัลยาณ์อกสราฟีอะไรก็สมท่านแก่นนาของมาเลก้ต่าสงครามแบบนี้มีมาเลก้าลงมามันน่าจะสรุปสรุปเราคิดดสการเลือกตั้ออมประจอนีเออสมมติว่า มีบัตรเสียงมาเลือกนี่สิบห้าล้านตัวสอบแล้วมันเป็นบัตรจริงด้วยสมมตินะเฮ้ยหมอดูทั้หทงหลายนี่ทั่วประเทศนี่ก็คุ่นตะลึงกันเลยฮะนียิงมาเป็นหลักฐานชัดๆในวันนี้มีไปกันใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่ก้าวหน้านะนี่ไปกันใหญ่ คือเหตุการณ์อะไรบางอย่างนี้มันมันมันน่าจะสรุปนะ ถ, ถ้าถ้าอย่างช้านี่นะหลังสงครามมัตสึซึกสักสกเดือนนี่ค ร, รับสมมติอาลาีก็น่าจะรับอิสลามกันหมดแล้วไ ม, ม่ีอีกหกปีแล้วต้องมีการพิชิตมะ ก, กาเนี่ยซึ่งเป็นสงครามใหญ่ซึ่งเป็นตัวพิสูจน์ในด้านยุทธศาสตร์ ชัยชนะอันเป็นยุทธศาสตร์ก็คือเมืองที่ขับไล่นบีไปอนบีมายึดละคือชัยชนะอันนี้เป็นชัยชนะทางยุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นม้วนยิาตไม่ได้เป็นม้วนยิ่งาตอะไรใดๆใช่ไหมแต่เรื่ององพัฒนมากกรนี้อัลล์ก็ไม่ได้เล่าว่ามีม้วนยิ่าตม่มีมาเลยอะไรเลยชนะแบบโตตัวเออ อาวุธเหมือนกันมนุษย no, ์เหมือนกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดจริงจะสยบยอมกูเรชกับอิสลามกันขามโอ้มฮัมหมัดชนะแล้วนี่มากันเนี่ยปะทะกัมปีที่ปดีที่เก้าเาก็อามููฟูดปีที่เกานะหลังจากพิชิตมกกานี่ไม่กี่เดือนน่ะนะะมการนี่พิชิตมการเนี่ยเือรมบา ไปไปีปละตอนเดือนที่แปดไปปีละต้นปีที่เก้าฮิจร้อยนี่นะมาเลยนะตัวแทนจากบรรดาเผ่าทั้งหลายเนี่ยมาสัตจะบันมารับอิสลามสงครามบัตรเนี่อุลมาจึงเปรียบเทียบระหว่างสงครามบัตรกับสงครามพิชิตมักันเนี่ยอันไหนยิ่งใหญ่กว่า สนาของเรส่วนมากบอกว่าถ้ามองถึงเรื่องการเลือกของ Allah سبحانه การช่วยเหลือของ a l l a นเราสงคปเสวันพิชิตมืก้ไม่ถูกเรียกว่ายามอลฟุรควันเป็นวันพิชิตอินนาฟันละกฟััมูบีนเป็นวันแห่งการพิชิตเีพิชิตอะไรก็พิชิตดินแดนพิชิตเมือง بدنا يوم الفرقان يوم ا ل ت ق الفرقان ذي ممي ش ي ه اللي ا ه ي كم أية เท اوكم س ن كام بدنا نا ناوك نزل ا ل ف ر ا ن ده و القرآن เป็นสิ่งที่จำแนกแลก้วก็วันสงการมัธยก็เป็นวันจำแนกสองอย่างนีคุณอา่านที่เรียกว่าฟล์คอลดฉะนั้นเรื่องราวของมาเลายกาเนี่ยต้องถูกจารึกว่าเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนะั้น มอดีษฎ์อัลลอฮ์ไม่ได้ประทานลงมาเพื่อบังคับให้คนศรัทธาเพราะอย่างดีนให้มอดีษฎ์มาทั้งทีแต่คนก็ไม่ได้คาบสมุทรแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาตุงร้อยหกปีนู่นก็จะยอมกาจะยอมสยบกันนะแต่มอดีษฎ์เนี้ยอัลลอฮ์จัดประทานให้มาเพื่อเป็นหลักฐานว่าอัลลอฮ์ได้ ให้หลักฐานแล้วว่านี่คือเน บ, บองชัน mm hmm. มอริสาทุกอย่างไมง่ใช่มอิสตทุกอย่างรวมอยูก่ก mm ุร hmm. อ่านเราไม่ได้ประทานการุรอ่านลงมาเพื่อบังคับนี่สนนั้นแล้วใครฟังกรุรอ่านก็ฟังแล้วเลยลใลล้ละลอทันทีเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นไหม มีนมีหนำซ้ำบางคนนี่หลงหลงก็ฟังกูละอ่านกูอานฮึสงสัยอันนี้ไม่เหมือนอันนี้ม่เหมือนอันนี้อ่าจะได้หไม่ใช่คุณหลงอัลลอฮฺจะบกยุดลบิห์เขาให้คิดยะแิ กุดอานนี่จะทำให้คนเนี ah ta ta ่ยหลงเยอะและทำให้คนเนี่ยรับทางนัเยอะแต่ไม่ได้บังคับให้คนเนี่ยจะต้องรับทางนักเสมอบูรีษาทุกอย่างและนี่มันยืนยันในหลักการของศาสนาอิสลามที่ว่าอัลลอฮสุบฮานะฮวะตาลาะไม่บังคับใคร ที่จะให้สัทธาจะเชื่อและอิกรอให้ได้มี่ค่ะหอัลลอฮ์บอกอัลล์บอกอำนาจของมนุษย์นี่นะนบีหรือใครที่เป็นผู้ปกครองที่มุสลิมเนี่ยเจ้าไม่มีอำนาจที่จะบังคับใครรับอิสลามอัลลอฮ์เองซึ่งมีอำนาจเหนือกว่า ผู้ปกครองมุสลิม่ ม, มุสลิมที่จะมีอำนาจใช้อาวุธใช้ความรุนแรงในการบังคับคนอื่นห้รับอิสลามอ่นะจะถือว่าไม่มีน้ำยาเลยทั้งวถามว่ า, า, วา เ, อเองเองแถวกว่าลอดหรืก็ขณะที่พระเจ้าอ่ะนะที่อำนาจเหนือกว่าเองเน่นะเองไม่ได้บังคับเลยขณะที่อัลลอ์สุฮาห์อะมีความสามารถที่จะ พลิกหัวใจอ่ะให้สถาบังคับให้ศรัทธาอดีตชาตว่าผมอ้อนวอนเราไม่ทำเราอยากจะให้มนุษย์เนี่ยไปอ้อนวอนเนี่ยด้วยความสมัครใจศรัทธาด้วยความสมัครใจจึงเข้าใจในเหตุผลว่าอมรุษผานว่าแต่เล่าเรื่องมวดยิ้มจ๋เพื่อให้เราได้ไตร่ตรองคิดพิจารณา เสริมสร้างความเชื่อมั่นในศัจธรรมและก็ความถูกต้องเพราะมันมีผลต่อเรื่องอื่นๆที่จะตามมาหลักฐานต่างๆนี่มันมาประกอบประกอบเพื่อยืนยันในเรื่องเดียวว่าคนนี้เป็นนบีอันนี้เป็นลกุรอานพะอจบแล้วเนี่ยสองประเด็นนิดจบแล้วนะจบแล้วด้วยโมดีซัด ไม่กี่ไม่กีครั้งไม่กี่อันนะส่วนดีเทลรายละเอียดอื่นๆนี่นะอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยพิสูจน์ทุกตัวเราพิสูจน์แล้วด้วยมโนศิสานว่าคุรา น, นี้ในบีท่านนี้มาจากอัลลอฮ์คำสั่งอื่นๆเรื่องเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่ในคุรานนั้นไม่ต้องม า, มานั่งเหนื่อย แล้วมันใช่มันจริงหรือไม่จริงเสียเวลาเสียเวลาเวลาใครมันามามาเถียงระเถียงมุสลิมเถียงเราในเรื่องประเด็นต่างๆนะอย่าไปเสียเวลากับเขาเขามันไม่จบพอเราตอบเขาเรื่องนี้เดี๋ยวเขาก็กระโดดไปหาเรื่องอื่นพอตอบเรื่องอื่นเด้๋ยวเขกระโดดไปหาอะไรแล้วมันไม่จบไงเพราะเรื่องมันเยอะในกุญอันเยอบแล้คุยกันสองเรื่องก่อน นบีคนนี้เปิดรัศูีหรือเปล่ากูอ่านนี้นบีคนนี้เปิดรัศมล่าแล้วกูอานนี้ทั้งเล่มนี ओ, ้มาจากนาบีนี้เาอันนี้นี่คุยตรงนี้ให้เรียบร้อนี่คือหลักการซึ่งเป็นเหตุผลด้านตรกรรปัญญานี่มันก็ต้องไปในทิศนี้นะเราไปหาหมอสมมติหมอก็อู้มาฟังหัวใจ หมอพิสูจนหน่อยดีว่าหูที่หมอใช้หมอใช้ฟังเนี่ยมันจะช่วยให้หมอรู้รู้อะไรบะางหมอก็เทียงบอกว่าเนี้ยนี่มันเป็นหลักการมันอย่างนี้นะแล้วก็อีกหน่อยหนึ่งหมอก็เอาเอาหมอพิสูจน์ให้หน่อยดีว่าไอ้ที่หมอเคาะเนี่มันมันช่วยอะไรบ้าง มึงเชื่อว่ากูเป็นหมอป่ะถูกต้องไหมไม่งั้นหมอหมอก็ไม่กูไม่ีมมเวลาคนนี้มาแล้วก็อีกคนหนึ่งปวดดูปวดปวดเอ อ, ว อ, ว อ, อปวดฟันหมอก็บอกว่าไหนขอดูอหม อ, หม อ, หมอพิสูจนะ์น่ะดิไอ้ที่จะขอดูนี่มันเชื่อว่าเป็นหมอหรือเปล่ามันจะได้จบเน่อนี้เปี่เทีย แต่นคนเราเนี่อนี่ดูดิอายทไมเงี้ยมาเียนีนาลพูดยูหหนึ่งในบรรดามหิารที่อัลลและ ت ได้ประทานลงมาในสงคำบาตรนีกคือการสนับสนุนของเวลาอครั ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يبضرون وذوهم وأدب رهم وذو ق عذاب الحريق. ل ا ق وجاو هن كان دي ملاكه أوينيان ของบรรดาผู้ปฏิเสธทาอยู่นั้น أ و ي ي ا ن ابن عباس บอกว่า ن ي ه نسخة م อับด ah ุลเลบัสอธิบายว่าอายะหเนี้ยกับสองคำาันธุ์ซึ่งมีเหตุผลแน่นอนอับดุลอลบัสเป็นสุภาบะที่ได้รับความรู้การอ่านที่ไว้คุณอ่านเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยจากท่านนบีหรือมิฉะนั้นก็ผ่านสุภาบะจากนบีอับดุลเลบัสนบีเสียชีวิตในอายุประมาณ13บสาม แต่เวลานี่อาบดินะเรงงานเนี่ยอุลามะาบอกว่าอบดนี่รู้หมดนี่ยไงเขาบอกว่าก็เป็นไปได้ว่าเนี่ยบรับรู้จากท่านนบีสลอลเาะสัลลัลลหรือจาก ص ทำไมอาบดุลลบนี่ยอบเป็นนอกจากว่าเป็นเครือญาติของท่านนบีแล้ว เป็นซ um, um ัฮาบะที่ถูกสถาปนาว่าเป็นคนที่ศึกษาในยุคของท่านนบีสัลลัลลอฮฺท่านนบีขอด้วยให้อัลลอฮฺมิมัสตัน้าซัฮาบะล่ำหุ่มว่าฟักให้เขาไปวลอัเตาขออนะเลขอให้เาได้มีความรู้เรื่องความหมายแต่วิ่ความหมายกุรอาน และคนแบบนี้นี่ยนะคงจะไม่ได้ไปศึกษาเรียนรู้ศาสนาจากคนที่อยู่ชั้นต่ํากว่าเราก็คือแตบิอีนแตเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮฺเาเนี่ยมักจะไป ข, ขอเรียนรู้จากแตบิเป็นไม่ได้คือต้องเรียนอย่างน้อยเราก็ต้องเรียนจากนบีหรืออย่งยงางแยแะต่ำกว่านี้ก็คือสฮฮับบะถ้าอัลลอฮฺเาเนี่ยอาแบบสวกว่าไอ้เนี่ยหมายถึงว่าอะไรกะ ที่อวิญานของเขานี่ของผของผู้ปฏิเสนี่หมถึงว่าในสงครามบัดและทำไมอาจารย์บูร์ลาบาสเนี่ยยืนยันเพราะในอายะเนี่ยในอายะเนี่อายะห้สินี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องสงครามไม่ด้พูดถึงเรื่องสงครามแล้วมีอายะหายถึงอายะเนี่ยในสระมุฮัมมัด فيه منايع أ و ن ياندن س و ر ة النعام س ن ق و سورة محمد لقى سورة النعام م ر ي ب و ت عن ر ب سونغام بدر แนนอน سورة سورة النعام ه مكية ب د ر ا ن ل م ا ت ي مكة بعثوا ي د ي ه م خ ر ج و ا مزكورة س و ر سورة النعام ه سورة مكية ب م ا ت ي مكة สุรัตน์มุฮัมมัดก็มีเดนิยะแต่ไม่ได้ถูกประทานลงมาในช่วงสงครามแต่สุรัตน์แอลเฟลเนี่ยชัดเจนว่าส่วนมากของสุรัตน์นี่ถูกประทานลงมาในช่วงสงครามบัตรเกี่ยวกับสงครามแต่อายานี้โดยโดย เฉพาะไอในคำสั่เนี่ยไม่มีพูดถึงอับดุลลาะ์ในมัสกลีต้องมายินเหยื่อนที่มาลายกาิกะนี่ที่อับดุบอกว่าและและหากว่าเจ้าเห็นขณะที่มาลายกาิกะเอาวิญญาณของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นั้นหากว่าเจ้าก็แสดงว่านาบีไม่ได้เห็นนะใช่ตอนที่มาลายกาิกะ ยิดวิญญาณนะไม่เห็นและเคลื่อนไหวของมาลากาในสงครามบัตรส่วนมากเนี่ยที่เห็นนี่แนะีเห็นผลผลกระทบของมันเช่นรายงานของสฮาบะบางท่านบอกว่าพอเริ่มประทะกันแล้วเนี่ยเราเห็นสีสษะของมุชริกินเนี่ยกระเด็นกระเด็นเองเราไม่ได้ทำอะไรนี่คือผล คนงานของมาเลยก์กันสหเวอีคนหนึ่งไปถามท่านนาบีสุลต่านอฺได้เห็นอบูเจฮ์ลศพของ ل, อบูเจฮ์ลอามร์มีชาบเห็นศพของเขาเนี่ยความความหน้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีรอยเหมือนเป็นรอยขีดอ่ะ นบีบอกว่านั่นน่ะคือมลาัายกตีตามที่อายัดเนี่ยจะอธิบายนี่คือรอยฟาดฟาดแท้ฟา ด, ฟา ด, ฟา ด, ฟาดของของมลาัายกไม่มีใครไม่มีใครได้เห็นตัวจริงของมลาัายกาแต่ได้เห็นผลงานของมลาัายกามาสอบว่า บ, บางท่านได้ยินเสียงเสียงสอว่บบาที่เล่าบอกว่า พอเริ่มแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมาจากภูเขานี้อักบิลไฮซูมชื่ออะไรกันนเรยกไฮซูมันไฮซูมซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ชื่อภาษาละมั้งเออไม่ใช่ชื่อภาษาหละคิดดูซิเราสมมติว่าเราฮะสมมุตินะนี่เล่นบอลกันอย่างเงี้ย ของทีมเรานี่กว่สิบคนของเขานี่กว่สิบคนแล้วก็รู้จักกันทุกคนเฮ้ไยไอ้ไบรท์ยอนไหมดิไบมใครวะเราคือลองนึกสถานการณ์นี้ทำได้ินเสียงอักไวลาให้ไห้ zoom ให้ไห้ไหูมม m ให้หู o o าเป็นใคร่ชื่ออะไร แต่เห so, ็นต <Yeah. S 1> ัวมะไรก็ไม่เห็นฮาบะบางท่านเรงงานอัลลอฮ์ส่วนมากนรงงานที่มาจากอัลลอฮ์นียบอับบาสแี่นิทานว่ามาจากบรรดาสัฮาบะที่ร่งงานจากท่านนบีหรือจากตัวท่านนบีสุลตเองเพราะอัลลอฮ์เนีอับบาสไม่ได้ไปสงการบัตนทไมอะยังยังยังยด็กนบีเสียชีวิตอัลลอฮ์นบอับบาสอยไร สิบสามมีใชีวิตสิบเอ็ดฮรัสกราย้อนหลังเนี่ยบัตรปีที่สองแสดงว่าอายุตอนนั้นเน่ยเก้าหรือแปดเลยไมดีไม่รับไม่รับเป็นนักรบมีขนาดตุลลามนอยมาอายุสิบสี่นัจะไปสงครามหลาห์ลาหซ่าหรือสงครามอะไรไบียังไม่ไม่รับเล ก็แสดงว่าอุเนี่ยต้องรับรายงานจากท่านนบีหรือสหาบะตรท่านอื่นที่รายงานท่านนบีสุลต่อัลลอัลลอฮ์บอกว่าเราต้องหักเจ้าเห็นขณะที่อะไรกันอัลลอฮ์พูดกันนะหักเจ้าซึ่งก็เหมาะแล้วจไว้ให้ดีนะพดีที่หลังเนี่ยก็จะมีใช้สะพนามที่มันไม่ค่อยเหมาะะเราอีกทีนึงจะเตือนอีกทีและ หากว่าเจ้าเห็นขณะแสดงว่าในาบีไม่ไดีเห็นว่าหลวงพ่อว่าหากว่าเจ้าเห็นขณะที่มาอะไรก็เอาวิญญาณของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นั้นพวกเขาจะตีใบหน้าของพวกเขามะไรก็พวกเขานี่คือบรรดาอะไรกันนะจะตีใบหน้าของพวกเขาไม่ต้งงงมงีสองเขาเนี่ย พวกเขาอันแรกนี้ก็คือมอะไรากะจะตีใบหน้าพวกเขาคือผู้ปฏิเสธทาที่จริงเนื่อยอะไรเนี้ยโวยแรแบบเนี้ยควรได้ให้สรรพนามที่ไม่เหมือนพวกท่านเหมือนก็จะดูพวกท่านจะตีใบหน้าพวกเขามันจะได้คนลระดับกันไงแต่นี่เขากับเขาเนี่ยแต่ถ้าเปภาษาหลังที่ฟังรู้เรื่องเพระเรื่องสรรพนามนี่มั น, ม, นมันไม่ซับซ้อนแบบเนี้ย เรื่องสัพนามในในภาษาไทยนี่เป็นเรื่องมันมีภาษาไทยเนี่ยคือมันมันเป็นบทหลานสักสกฤตอ่ ะ, ะาเป็นภาษาอินเดียโบราณมีตั้งแต่ยุคแบ่งวรรณะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ก็มีมีชัน้นวรรณะ ในในภาษาหลับและภาษาอื่นๆเนี่ยพี่ไม่มีว่ัฒนธรรมแบ่งวรณะนะแต่พระนามจะไม่มีแต่สังกินเนี่ยสัพพะนะไม่มีข้างบนข้างล่างจะตีไว้หน้าของพวกเขาและหลังและหลังของพวกเขาอันนี้เขาก็แปลตามคําศัพท์ะยัดดริบุนะตีอุยูฮาหุม ใบหน้าว่าและแต่ที่จริงแนละ้วสำนวนไทยสำนวนภาษาไทยอ่ะนะไม่ต้องไม่ต้องแล ะ, และมันเยอะอ่ะและนี่มันเยอะเกินไปะจะตีใบหน้าของพวกเขาและหลังของพวกเขาและที่มันถูกต้องนะคือเขาจะตีใบหน้ามาอะไรกานนี่จะตีใบหน้าและกันหลัง โดยโดยที่มาเลย์กาเนี่ยกล่าวกับเขาซู่กูอาซาบันฮาริกไม่ต้องแลกแทนโดยนี่คือขนาดขนาตีใบหน้าและหลังนี่โอเคตีใบหน้าและตีหลังอะนะขนาที่มาเลย์ก็กำลังกล่าวกล่าวกับเขาอ่ะพวกเจ้า จงลิม้มการลงโทษแห่งการเผาไหม้เถิดพวกเจ้าโอเคสภานามตรงนี้ก็โอเคพวกเจ้าอันนี้มาเลยก็พูดถึงใครนะผู้ปฏิเสธศรัทธาถูกต้องไหมจดจำไว้นะคือถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยนี่มันก็มันก็ต้องละเอียดแล้วก็สวยงามหน่อยแล้วก็ ต้องแบกว่าเป็นซิสเต็มเดียวกันเนปะ็นเป็นระบบเป็นระบบแต่นี้สภานามนี่มันจะมันจะสร้างความสับสนนิดหนึ่งถ้าตามหลักการของภาษาเนี่ยและกล่าวว่าใครที่กล่าวว่าคืออะไรอันนี้เขาอันนี้เราส า, สามารถเข้าใจะากากทำนองประโยคกันนะ คือมาลยก็ตีใบหน้าแล้วก็ตีหลังอนี้เน่ยว่าเสรีงงานบอกว่ามีซอฮาว่าได้เห็นศพอบูเจลความหน้าแล้วก็มีรอยทีหลังมีบอกว่าน่ารอยฟาดที่มาลายกาตีหลังแต่มันมีรีงงานหลายรีงงานว่ามาลายกาเนี่ยสู้สู้กับมุชริกีนแล้วก็มีที่ฆ่าด้วย อาแล้วการฆ่าและก็การอาวิญญาณการฆ่ากับการอาวิญญาณอลุลบางท่านบอกว่าคือการฆ่าเนี่ยเหมือนที่เราฆ่าเนี่ยเราฆ่าคนเขาไม่ได้ตายเพราะเราฆ่านะ สมมติว้ามนุษย์เนี่ยฆ่ามนุษย์เนี่ยปืนยิงปุ๊กเขาไม่ได้ตายเพรเราฆ่าน่ะตายเนี่ยเพราะ Allah ให้มาแล้วคุณเม้าเนี่ยยึดวินญาใช่ไหมล่ะอันนี้ตามหลักการศาสนาเพราะถ้าเราสุมุติทานยิงแล้วอะ แต่ยังมีวิญญาณอยู่คือว่าตายไหมไอ้ตัวงเถไม่ตายแล้วมีมก็มีหมูัีให้เยอะเลยยิงยิงตรงนี้เลยนึกว่าตายแล้วไปเบิกมาแล้วสองล้านก็คือจ้างจ้างให้ยิงเนี่ยิงเรียบร้อยเรียบร้อยทะลุตรงนี้เขาบ อ, อกไม่ขังข้งเครับท่าน นะแต่ที่ไหนก็อัลลอฮ์ไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้วิญญาณออกดันไม่ตายอ่ะออแล้วก็มีนักรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะเยาว่าสงครามโลกครั้งที่สองในการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ที่ที่ที่รัสเซียนะจำไม่ได้ ลีนินหรือสแตลินนะลีนินใช่ปะ่ะที่กระสุนอยู่ในตัวนั่นแหะกระสุนอยู่ในตัวนี่หมอเอาออกไหมนะผมก็เทาออกนี่ตายอยู่กระสุนในอยู่กับเขาเนี่ยเป็นสิบสิบปีเลยอะ่ะถูกถกยิงถูกยินแล้วก็ไม่ตาย <Yeah. S 1> อันนี้ที่อันนี้ก็อันนี้เรื่องจริงเพราะตองก่อนรู้ในทางการแพทย์นี่ก็ไม่ค่อยทันสมัยนักทีเนี่ย ถ้าจะผ่าแล้วก็ควักเอากุธสูนออกนะมันก็คือมันก็คือทําลายร่างกายอะ่ะเพรตอนนั้นเรื่องผ่าตัดมันไม่เคยทันสมัยนะโอ้หมอเจ่าของ น, นู่นแล้วก็พักรว่าก็กาวสูนตอาไรตรง้ถ้าไม่เป็นไรไม่เป็นะไรก็จะเจ็บหน่อยกัะนะก็อยู่อย่างนั้นนะดีกว่าหรือจะบายๆให้เลือกอก็เป็นแบบนั้นเจ้าของก็เป็นแบบนั้นไงแค่ <c oughs> นั้น อลามะเขาบอกว่าก็ทีมอะไรก็ค่านี่นะอันนี้ชุดนึงแต่ที่ยึดวิญญาณเนี่ยอีกชุดนึงแสดงว่าที่ยึดวิญญาณนี่เอาวิญญาณเนี่ยอันนี้แน่นอนมาละกุลเมาแล้วู้ช่วยผู้ช่วยของมาละกุลมีปะมีอุลามะเขาทั้งทั้งที่ Allah سبحانه และ ت ع ا ل ละฮะดีสหลายบนเนี่ยพูดถึงมละกุลเมาคือท่านเดียวท่านเดียวก็มีอุลามาอะไรเรา่บอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้ช่วยไม่เหมือนมีแกอิลมีแกอิลมาเลก็แห่งฝนลาลิสกีอันนี้นี่มีหลักฐานว่าว่ามีผู้ช่วย มาไหลกระ قطر ผู้ช่วยในการจัดการเรื่องฝนแต่แต่เมลากุลมอตเนี่าอกภาพทิงเนี่ยมลุลมบว่าเป็นดีอัลล سبحانه และล่ำเจ็บมีผู้ช่วย มีบางเรื่องงานน่ะนอันนี้เาก็เล่ากันเยอะนแต่มันไม่ใช่หที่สวยมันมาจากอิสราเอลียเรื่องเรื่องเล่าของของอัลกิฏับมากกว่าแล้วเมื่อท่านมาดไหาท่านดาวสุลมานโดยที่มู่คณะของท่านดสุลมานี่ มีใครรู้จ e ักว่าคนนี e. e ้คือมาลาคุรนบีซุลมานคนเดียวที่รู้จักคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ทัพของท่านนบีซุลมานนบีซุลมานอยู่ไหนอย่ไหนอยู่นู่นอยุราสลิมไงอยู่ชามแม่ทัพคนหนึ่งมองหน้ามาลกคุณมาในร่างของมนุษย์ รู uh, <REY 2> ้สไม่ชอบคนนี้ชอบก็เลยไปไกิบนบีสุลัมานบีสุลมานอัลลอ์ให้อันนี้เ่งีไม่ใช่ไม่ใช่คุรานไม่ใช่ฮะดีของนบีศาสนาของเราน่เป็นอิสรอเอลียาเนี่ยเป็นไกระซิบนบีสุลมานคนนี้่ชอบเลยขอ้ขอให้ท่านเนี่ยได้สั่งเพราะนบีสุลมานเนี่ยได้รับอนุภาพจากอัลลอฮ์เนี่ย สั่งพายุได้สัซักขรนัละหลวิีรี بأمر ีใหทุอให้ทุก่าก็บอกกันอีสุลลมานบอกว่าสั่งให้พายุเนี่ยพาผมไปอินเดียเลยทม่ยเห็นได้หมดนี่มไม่ทันกระซิบเนี่ยท่านอัสดุลลมานท่านอับดุลลมานเนี่ยสั่งแล้วนะ มาล้ก็ลมเอาคกก็สิบโมงของเบบชายังนี่แต่ไม่สวยบอกว่าอะไรผมเนี่ยรับออเดอร์คำสั่งนิตวิญญาณไอ้หมอเนี่ยที่อินเดียเดี๋ยวมาดูเองจะอยู่ที่ไหน อน ema ตะกุลย <ers> ึดริกอีน ema ตะกุลวันจันทร์ยนกค์ทำงานนะยึดริกคุณมลผมแปกใจมากนี่อัลลอฮฺสั่งให้ฉันเนี่ยไปไปเอาวิญญาณคนนี้เนี่ยที่อินเดียท่าไมมันอยู่ตรงนี้อ่ะเชิญเชิญตามนั้นนี่เป็นอสราอลยาร์น่ก็แต่มันก็ มันก็ให้เห็นอย่างหนึ่ง <Chief> ซ <of people> <pad> ึ่งมันเป็นเรื่องจริงว่ะอนุภาพของมาเลยกาเนี่ยเราอย่าไปวัดกับตัวเราแล้วมาเลยกามาเลย์คนเมาหนุ่มเข้าตุ้งตายท่านดูดีคู่เวดที่ตายงั้นไหนจะไอจะไหวยังไปไปเออะไรนี่บวกมาเลยกาเนี่ยขับรถรถมัวไปไปๆๆไปไปก็ไป็นเปุญญาน้วย อะไรกันจะเทียบคนมันจะชอบเที่ยวมันนี้ก็จะไหวอ่เนี่ยเ่ยที่ไปนั่งสิ่งที่อมาสั่งไว้เนี่ยเป็นที่เราเกิดที่เราเห็นมันคือคนคนตายกันดูโลกมอะไรคุณว่าเป็นผู้จัดการเนี่ยกุณธรรก็เลยบอกว่าแสดงว่าที่ตีเนี่ยตีหลังตีหน้าเนี่ย อะไรก็ชุดหนึ่งแล้วที่อวุญญาณอีกชุดหนึ่งก็ไม่แปกันแล้วก็เหมือนที่เราเนี่ยยิงนะาูฆ่ามันขูฆ่ามันที่ตายเนี่ยดอัลลอนญอาวาอแล้วก็กระสุนเนี่ยสาเหตุสบเป็นสาเหตุหนึ่ง และกล่าว ว, ว, ว่าหมายถึงว่ามาเลย์กาเนี่ยขณะที่มาเลย์มาเลย์กาตีตีหน้าตีหลังเนี่ยและในขณะที่คนเขาก็กล่าว ว, ว, ว่าพวกเจ้าจงลิ้มการลงโทษแห่งการเผาไม่ถึาเวลาเลยลิ้มการลงโทษแห่งการเผาไหม้คเนเราท่านบอกว่าใช่เพราะการตีหน้าตีหลังเนี่ยใช้ แส้ไฟก็เป็นการเผาไหมแต่อุลมามะบางท่านอธิบายบอกว่าไม่ใช่อันนี้เนี่ยหมายถึงว่าในอนาคตนะหมายถึงว่าเดี๋ยวจะลิ้มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอต้ตองเจอการเผาไหมแต่อันนี้เนี่ยก็แค่ตีนะเดี๋ยวไอ้เรื่องเผาไหมเนี่ยเดี๋ยวเจอ ก็เหมือนที่มาลก้านี่มาก้าแห่งความเมตตาที่จะมาแจ้งข่าวดีกับผู้ศรัทธาอินนก้ลูรบบุนัลลัหุมสตัที่กวอัลลอฮเป็นพระผู้ใามเราทุมสตัแล้วยินยับในวนทีงพราจแต้นสั่งให้มาเลก้มาก้นอาละเดอ อลมะก็คือมเลกุลมาท์เองเนี่ยที่จะลงมาเอาวิญญาณแล้วก็แจ้งเขานี่อุลมะบางท่านก็ไม่ใช่ที่มาเละพิเศษองค์คาร์ดมาเลค่ะพิเศษใความเมตตาอัลลอฮะคอจงยาบลัวลลอฮฺจะพิจาเล้วัสดิ์ลอับชิรุบิลจันน์ที่เคยถูกสัญญาวนก็อันนี้ก็เหมือนกันลิม จงลิ้มนี أ آ ่ก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าในอนาคตอันนี้นาอัมบงทนนะครับต่อมา ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد แต <ت> ่ก <ص> น <في> า <ق> อะไรกัพูดยังไงนะมาอะไรกนพูดยังไงนะพวกเจ้าจงลิ้มพวกเจ้าพวกเจ้าคนข้างบนแล้วก็คนข้างล่างใช่ไพวกเจ้า นึออกวพวกเจ้าจงลิมต่อมาเนี่ย ذلك บิมหาคดด ي ต่อไปนั้นนั่นก็เนื่องจากสิ่งที่มือของพวกท่านอ้าวหงตัวนกายเป็นท่านละมันไม่สมมุตะแต่กีเจ้าบกว่า ประโยคนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยคเดียวของมาเลย์ก็คือมาเลย์ก็บอกว่ารูกูอาศัยบริหรจงลิมจงลิมการลงโทษแห่งการเผาไหม้เดือดลิกบนั่นกันเนื่องจากไอ้ที่จะที่จะลิมเผาไหม้อย่างนี้นั่นก็เนื่องจากสิ่งที่มือของพวกท่านมันไม่ส่วนอันเนี้ยจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะในช่วงสิบยุษ <c oughs> แรกอันนี้ก็อยู่ในยุคที 10, ส่สิบนะสิบยุคแรกนี้ของอาจารย์ดารีบินามันซึ่งอาจารย์ดารีบินามันนี่ถือว่าเป็นรุบบุกเบิกในการอธิบายความหมายคุตอาแล้วก็ท่านต่างทีุ่ณพ่อเนี่ยเราให้ฟั ง, ฟงนี่ว่าือท่านจะคือท่านจะมีงานเยอะไงท่านก็จะแบบว่า ความเป็นไปได้ที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยความเป็นไปได้นะว่าแต่อาย่านุนเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็อีกอายะหนึ่งนู่นอีกอาทิตย์หนึ่งไปต่อไปทํางานต่อมันก็อาจจะไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบแต่ถ้าตรวจสอบนิดหนึ่งแค่ตรวจสอบเรื่องเรื่องสรพนามานะมันมันไม่เข้ากันเลยอะแต่ที่เจ้าเดีวนี้เป็นท่านละ่ะซึ่งเจ้ากับท่านเนี่ยมันมัน คนและสถานะเลยอ่ะท่านน่นนะสมมติว่ากำลังเจ้าหน้าที่รัอนจำอย่างเงี้ยเชิญครับท่านนีมั้ยเจ้าหน้าที่รอจำอะไรเงี้ยฮะพูดกับนักโทษเชิญนะเชิญดันเป็นไปได้อ่ะนี่มาอะไรกัแห่งอาสาหรือมาลกุลเมานีกลังพูู้ไปที่สถา ที่เอาวิญญาณเขาแล้วแล้วเพิ่งถูกตีหน้าตีหลังแล้วนะั่นนะแล้วก็เราบอกว่าเนี่ยก็ พ, พวกท่านเนี่ยนะมันไม่เข้ากันเลยดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนพวกเจ้าดีกว่านะนั่นก็นเนื่องจากสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ประกอบไว้ก่อนประกอบไว้ก่อนอันนี้เป็นคำนวนทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแม้ว่าใช้ปากทำใช้หัวใจแต่เราก็เรีกว่าน้ำมือมือเกี่ยวอะไรคือเราไปด่าชาวบ้านนะชาวบ้านก็ออกมามาตีแล้วก็ววนี่กงน้ำมือไม่ใช้มือเลยอินสำนวนพ่มากั ด, ดัมัดไอดีกลุมสิ่งที่ มือของพวกเจ้าประกอบนี่เพราะมือนี่คือเครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือของเราในการประกอบผลงานส่สวนมากกันนะมือคนมีไม้มีมือนี่นะนี่เป็นสำนวนว่านั่ละฮะเลสบิฎละมิลิละมิฏและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่ผู้อธรรมแก่บาวทั้งหลายโอกาสลงโทษก็จะไม่เกิดขึ้น โดยริเริ่มอันนี้มันไม่่วดีๆเนี่ยเราก็จะมาลงโทษมันลงโทษเบาลงโทษนี่ก็เนื่องจากน้าเหมือนเนื่องจากผลงานที่ประกอบที่ประกอบไปกระดวีแอรีฟิราวนะเลลดีนมินกเบลิมคัฟรูวีอาญาติละไอฟาข้าดะฮุมุลลอฮฺบิดุลุบิหิมอินลอฮะกอวิยุนชัดิดุไลกะเช่นเดียวกับสภาพแห่ง วงวานของฟิราว์การลงโทษตีหน้าตีหลังการลงโทษแห่งการเผาไหม้ชิ้นเดียวกับสภาพที่วงวานของฟิราว์วลลัดดีนมิงกับเ ล, ลบนันดาผูี่กอ น, น้าพวกเขาก็หมายถึงว่าบทลงโทษ ี Allah ala, anya, k k yo, ่อัลล سبحانه แะ تعالى ได้เตรียมไว้สำหรับผู้ปฏิสัธาเนี่ยมันก็คือกฎเกณฑ์เดียวในทุกยุคทุกสมัยแต่มีข้อสังเกตอัลลอบอกว่าเช่นเดียวกับสภาพแห่งวงวานที่จริงส่วนมากที่ถูกลงโทษเนี่ยเพราะ เป็นผลประกอบของตัวฟิราหนเองและวงวานเขาเนี่ยเกี่วยวอะไรอ่ะอันนี้มันก็คือปัญหาของการก า, รานแปลเนี่ยแอลฟิราห์เนี่ยคำว่าแอลเนี่ยแปลได้หลายความหมแอลฟิราห์วงวานตะกูลลูกหลานน่ะ ไทยาดวงวานเอลพัรพวกก็คือพรรคพวกพอจริงเนี่ยวงวานอุลฟเรานี่ก็มีผู้ศรัทธางนจะมีผู้ทธาแต่พรรคพวกก็คือคนที่สนับสนุนอุฟเรานี่น่นก็มีแต่พู้ปฏิเสธนี่ไม่มีใครมีในวงวานอเลฟิรน มีในตระกูลมีในสายตระกูลของไอ้เราเป็นผู้ศรัทธาสุดจว่าก็แล้วรัจลุมมุมินุมมินอัลเปร่างเอนี่ยคุมอิมานหูมีผู้ศรัทธามุม um ินคนนึงจากอาลเปราวนี่ไงเนี่ยนี่วงวานนี่ไงแสดงว่ามันไม่เสมอไปว่าอาลแปลว่าวงวาน แทนเนี่ยหมายเนี่ว่พวกสมาชิกภาพในการต่อต้านสัจธรรมพวกเดียวกับพเราห์นะมรดกจัดการมันน่ะเช่นเดียวกันตั้ทุกยุคยุคสมัยเนี่ยก็เหมือนกุเรชีละลูกหลานกุเรชวงมืวานกุเรช์ี่ก็มีที่เป็นมุสลิมไม่เกี่ยวไง และนี่คือทัศนที่ถูกต้องในทุกเรื่องในทุกตัวบทของกุราชะดษที่มีการลงโทษมีการกล่าวถึงการลงโทษคนชั่วแล้ววงวานหรือตอบแทนดีต่อคนดีแล้ววงวาน พุกอายัด no? ุกฮารีส <c oughs> <rik> ิกะกระ่ึงเนียนนะไม่ใช่หมายถึงว่าวันคือทายาททำไมอ่ะคือถ้าจะลงโทษคนชั่วแล้ววันวานแล้วก็ลววันวันลูกหลานที่ยังไม่เกิดแล้วก็จะเป็นจะเป็นผู้ศรัทธาล่ะจะลงถูกลงโทษเด้อไม่ได้มันไม่ใช่เนี่ย อ่าแล้วก็ตอบแทนตอบแทนคนดีแล้ววังวาแล้วถ้าวังวาเขนี่ยมีแต่มีคนชั่วล่ะตอบแทนดีด้วยหรอใช่ถ้าออลมีการลงโทษหรือตอบแทนดีในกุฎานะคะนี่หมายถึงมพมาพวกก็คือที่มีพฤติกรรมเดียวกันน่ะและนี้คือทัศนคติถู่ต้องทัศนคติอุมาส่วนมากเกี่ยวกับการอธิบาย الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. س ่วนมาก هنا เราก็จะแปลกัน والله ได้โปรด بإسناد محمد. ه และ كوعوان من النبي ما؟ سيمازادي أم شفيه ما؟ ن ى نى كوعوان؟ و و و ا ن من النبي الذي بِيَنْبِيُّ. องเล็บที่เป็นผู้ศรัทธาใช่ไหมแต่อีม่าอ่ะมันลวกอุลาม่กาไม่ใช่อัลลอฮุมะซิลลีอาลัมุฮัมมัดและอาลีมุฮัมมัดแลอดีบุรุษละวะนบีและก็คนที่ตามนบีคือพวกผู้คงนบีอันนี้เนี่ยอุลามาส่วนมากก็บอกว่าดีกว่าอธิบายว่าวงาไมอ่ะ เพระอย์วงวานลูกหลานลูกหลานนบีอย่างเดียวอะนะแล้วคนอื่นล่ะและเป็นไปได้อะว่าเราจะละหมาดในละหมาดเนี่ยสละวันแกนบีแล้วก็วงวานคงไดีเฉพาะเล่นเหรอแต่ถ้าเราสละวันนบีและวงวานนบีนี่ยหมายถึงว่าพระพวกนบีนี่รวมถึงลูกหลานทายาทนบีที่เป็นพุทธะอยู่ดีมันเขาอยู่ด้วยพี่จะสนับสนุนทด้ขนานนี้เนี่ย يا الله ن أول الناس بإبراهيم ك ن مي ستي ما يسون للذين تبعوه ك ن مي ستي ما يسون ي ن كم ي شيوخ ل ا ن ب إبراهيم؟، كل اللي تام ل ب إبراهيم تبعه. م ا ي أني تابتو بنو إسرائيل و بنو إسرائيل أ ق و خ و ن ي ووان إبراهيم إسحاق يعقوب لقا إسرائيل لقا بنو س ر ا ئ ي ل ه เรมกม่เก่บอว่าคนที่มีสิทธิในเรื่องศรัทธาเรื่องการตอบแทนนี่นะก็คือคนที่ปฏิบัติตามนั้นะอัลลมซลลลมุฮัมมัดอีมุฮัมมัดเรุซลับีมฮัมมัดแลคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดอละวเขาหมดเลยัปฏิบัติถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีนี่นะเราก็ได้ รับดุท hmm. sure so ิศตรงนี้เหมือนกับเราขอดูอาตัวเรานะแล้วก็คนอื่นขอดูอาคนอื่นแล้วคนอื่นในสวรร์นี่ก็สวรรค์อุทิศเราด้วยแล้วทำไมแล้วทำไมอัลลฟิร้างเนี่ก็ต้องอธิบายว่าอัลลอเป็นผักบัวอย่าอื่นมาบางท่านบอกว่าแต่ที่อัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลซึ่งส่วนมากเนี่ยในภาษาเนี่อัล แล้วว่าวงวานทางสายเลือดไม่ใช่ทางอุดมการเพราะตรวจสอบแล้วเนี่ยตะกูลอู้ปกครองอีบ 4,000-5,000 ปีนะมีแต่ผู้บติสุทธิ์ธรอันนี้โดยพระวสสา เป็นผู้ปฏิสุทธาและเป็นผู้อาถมฉะนั้นในพุชศนานุคมพุชนานุคมฟิราวนี่ฟิราวเนี่ยมันก็เป็นคาศัพท์ที่เป็นฉายานะเป็นภาษาเฮโรกลิฟิกภาษาเราก็แปลมาจาก เรานี่ก็แปลเราก็ใช้น่ะแปลมาจากภาษาอังกฤษภาอังกฤษนี่ก็แปลมาจากแปลมาจากฮิบรูแล้วก็ซิเรียนีแล้วก็เฮโรกริฟิกฟาโรนี่แหละก็คือฟิราห์ก็ใช้กันฟิราห์นี่ก็คือเหมือนกษัตริย์นะแต่ในภาษาอับในภาษาอับเนี่ยในพุทธานุกรมภาษาอับเนี่ยฟิราห์เนี่ยเป็นฉายาของผู้ปกครองผู้อธรรมทุกคน เวลาจะเรียกคู่ครองคนที่ตอนที่อธรรมคนที่เหยียดหยามคมเหงคนอนโอ้ยฟิร์ร่าวนะเราเครบอกกครู บ, ง, บ, คบงคนก็ชอบใชฟิรูนมันยังไงก็มรู้ฟิรูนถ้าสำเนียงกุรานี่ฟิรรานถ้าอยากจะเรียกตามสากล น, นี่ก็ว่ากันไม่สาสากแต่ฟิรูนนี่มาใหม่ نيمي نيمي تبا تبا والذين من قبل ه م قان فرعون قان فرعون قان فرعون ك ه ي ك و ك سموت عاد سموت شو أحقاف تيوخاب سموت أраб أنيق ق ا قاء ا ن فرعون فرعون هيقومي هين تاني ب ي و س أ ة ا ل ك ن ا ق ص ص في آ ن الكريم تتحدث عن قرية ف و ت ฟราวันที่ขมเหงบรรดิสรายลมูซาและก็ขับไล่ท่านนบีมูซาและก็จมในทะเลหรือแม่นม้ำ <c oughs> อ่ะมีความขดัดแย้งว่าฟระห์นคนเดียวหรือสองหรือสามคนมีความขดัดแย้งท่านประวัติศาสตร์อยู่เราประมาณห้าพันปีแต่พวกสมู แล้วกอแล้วก็อบนยที่อยู่นข้าวมุรอารามเนี่ยก็คือกลุ่มชนนบีสอกลุ่มชนนบีฮตนั่นแหะนี่แหละข้าวมุอรอันนี้เนี่ยก็ก่อนนบีมูซาประมาณพันสองันปีอนีชื่อชื่อกลุ่มชนอิรมาดัติลัยมาดอมีชื่อนบีนะ อาชีกลุมชนสมุนดิสมุนสมุนคือชื่อกลุมชนแต่ในบิริล <people> ูตอ er <laughs> <Install> ี่น <ambling> ูดก็ประมาณเกือบ 7,000 ปีวัลละนีนมินกับลีมคิดดูดิเรากำลังบอกว่าเนี่ยที่กูเรชพบเนี่ยในการลงโทษที่แพ้แฝงสงครามบัดรและก็มาเาย์ก็มาตีหน้าตีหลัง จะยึดอาวิญญาณแบบนี้นี่คือการบทลงโทษนี่คือบทลงโทษที่อัลลอได้ํำเชจเชินฟเรา่าและก่อนพวกเราเสียอีกซึ่งพวกเขาก็ฟะรูบิอาญาติละซึ่งพวกเขามฏิเลศรัทธาต่อบรรดาองค์การของมันบปฏิเสธปฏิเสธ สัทธาต่อาาองค์การวิอยาาติ์ลกับพฤติกรรมเดียวของคุมชนกุริชาะลัลลอฮูบิดบิแล้วอัลลอฮก็ได้ทรงลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาเขาปฏิเสธองค์การอัลลอฮ์อัลลอ์ก็ลงโทษเขาด้วยความผิดของเขา กลมาเีะ์ุนบุุนบนีพระผุพูดอกรนคือดัมบ์ความผิดความผิดนี่จะใช้กับบาปนะทั้งบาปเล็กและก็บาปใหญ่แต่อันนี้แสดงว่าในหลักการคุรานเนี่ยการปฏิสธศรัทธาปฏิสธองการอดเนกเป็นดัมก็เป็นความผิด ซึ่งโดยวิชาการเนี่ยวิชานิติศาสตร์เวลาอุ ล, อลมะเขาจะพูดถึงความผิดเนี่ยเขาจะจำแนกเลยขาจะจาแ น, ก เ, จจนกเลยใช่จริงว่าการปฏิเสธศรัทธามันก็เป็นความผิดแต่เขาจะจำแนกเขาบอกว่า การฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยก็คือที่ทําให้ตกศาสนานี่ก็คือการปฏิเสธศรัทธาและก็ความผิดที่ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ใช่กูฟรที่ไม่ใช่กูฟรอัน น, น, นี้ที่จะเรียกว่าเป็นความผิดหรือเป็นบาปแล้วก็จะแบ่งแยกว่าเป็นบาปเล็กบาปใหญ่กล่าวคือ บาปที่ไม่ทําให้ตกศาสนาะเขาจะเขาจะจาแน่งกนะูฟดอันนี้ตกศาสนาเลยแล้วก็มีบาปที่ไม่ทําให้ตกศาสนาอันนี้แบ่งเป็นสองปะระเภทบาปใหญ่กับบิรห์และก็บาปเล็กมันเล็กอยู่แต่โดยหลักการของกูดอ่านเนี่ยทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นความผิดทั้งสิน้น มันมีผลอะไรมันมีผลอก็เรื่องความรู้สึกเราเองะนะเวลาทำเวลาทำเราหรือคนอื่ น, เ, นเวลาทำอะไรที่มันใหญ่มากอุย้ยผิดแล้วเพราะว่าตกศาสนาอย่างเงี้ย้ยผิดแล้วนะเราจะไม่ใช้คนนี้ สมมติเรามีคนด่าพระเจ้าอยางนี้ว่าคุตตา น, นี่ไม่ไม่จริงบางอี้าพวกพูดพูดผิดนะไม่ใช่อันนี้มันเบาเกิ น, นแต่ถ้ากตามหลักการคุตตา น, นี่นะถือว่าผิดหมดเลยอันไหนดีกว่าล่ะที่จริงเนี่ยในด้านในด้านความรู้สึกนะในความรู้สึกเนี่ยหลักการคุตตา น, นี่ ดีกว่าในด้านอบรมขัดเกล่ามันจะทำให้เราระมัดระวังความผิดทุกชนิดนั้นอุลามาบางท่านเขาบอกว่าแม้ว่าหลักการศาสนานี่มีจำแนกบาปที่มันทำให้ตกศาสนานและไม่ตกศาสนานและสิ่งที่ไม่ตกศาสนานมีทั้งบาปเล็กและก็บบาปใหญ่ก็จริงก็จริงแต่ผู้ศรัทธาไม่ควรยึดการจำแนกนี้เนี่ย เพื่อทุเราหรือบรรเทาปอบใจยังยังกูยังไม่ตกนี่มันเป็นฟิล l งจริงๆนะแล้วมันมีผลนะ ม, มันมีผลมีผลกับอะไรผลกับพฤติกรรมมารยาทอะไรล่วิธีชีวิตเลยไปคาราโอเกะไปกินเหล้ากับป น, นบังทำไมเงี้ยว ก, กูก็อยู่กูยังเป็นบังอยู่ยังยังไม่ไปไหนเนี่ยยังไม่กินหมูมเป็นเรื่อง f e e l i มันไม่ใช่เราไม่ศรัทธาไม่ควรที่จะจำแนกบาปเนี่ยเพื่อปลอบใจตัวเองนะนี่มันดีครับอิมัมบุคฮารีนะนะบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมโ ม, มา المؤمن يرى الذنب كأنه جبل فوق م ؤ م ن يَمَعُونَهُ و َ ا ل ك س ا ف ِ ر ُ و َ ا ل ْ ف ا ج ر ُ ي ر ى ا ل ذ ن ب กันนั่นเขา зуб าว์มร์บีฮะคดะ فقال บีคดะคนชั่วเนี่ยก็จะมองว่าความผิดเนี่ยเหมือนแมลงวันมาตอมแบบนี้และเขาก็ทามันแบบนี้ในในั้นี่ทำทำท่าก็คือเหมือ น, นว่าอะไรันเร่งรผู้ศรัทธาจะมองความผิดอย่างนึ้งแล้วก็คนชั่วเนี่ยก็จะมองความผิด อย่างเรื่องนี้ก็ต้องฝึกคนจากหลักการศาสนาเนี่ยที่เราได้อ่านกุรอ่านเนี่ยจึงรู้จึงจะเห็นนะครับว่าอัลลอฮฺสุฮาบินะวาตาเลเรียกการปฏิเสธองค์การอัลลอฮฺเนี่ยดูลูบความผิดเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาแท้จริงอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงพลังกวุน ไอ้คิดว่าแล้วอ่อนแอที่จะเอาผิดลงโทษกับคนที่ทำความบิด น, นะเราทรงพลังชฉดีดูลยกอบมแล้วก็ทรงงรุนแรงในการลงโทษนี่ก็คือคุณลักษณะของอัาลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่มุสลิมไม่ควรที่จะหลงลืมกะต้องจดจำพร้อม กับพนามและคุณลักษณะอื่นๆของอัลลอฮฺ س ب ح ا อะปีดาของฮะุซนอุลจามะเนีจดจาคุณลักษณะของอัลลอ์พระนามของอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วก็ตาบุษนี่ตาบุษนี่หมายถึงว่าพยายามแสวงหาการรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็สร้างความรู้จักกับอัลลอฮ์ในบรรดาพระนามและบรรดาคุณลักษณะทั้งหมด แต่คนที่เลือกรู้รู้จักจะอัลลอฮฺมานุรรฮีมนี่ก็จะมีคนที่บอกอัลลอฮฺเป็นผู้ให้อภยัยใดๆค่ะเป็นผู้อภยัยเป็นผู้เมตตาได้พันนาของอัลลอฮฺนี่สองอันนี่แหละแต่เราก็มีพันนาอื่นคนนั้ลักษณะอื่นและไม่ควรประมาทในเรื่องดี มันจนดิอัลลอ์รงเมตตาบซาลีบาซาลีมากว่าทีนักวมากกว่านั้นน่ะว่การลงโทษเนี่ยไม่มีเงินไขเนี่ยไงอินนัลลอฮกอวิยชัดีดอัลลอฮ์ทรงรุนดรในการลงโทษไม่มีเงอนไขแต่ในเรื่องความเมตตาเนี่ยวาระหะมตีวสัตุกเรืใช่ความเมตตาของฉันของฉันเนี่ยของเนี่ยกว้างขวางที่สุด เพราะจะอักษรบฮาเหล่าที่เนีย่ยจะพูดเนี่ยฉันเนี่ยจะจะรึกไว้ความเมตตาสําหรับคนที่มีความย่อมเกรงคนที่ออกสัการมีเงื่อนไขอุกันนี้น่นากลัวการลงโทษไม่ ม, มีเงื่อนไขแต่ความเมตตามีเงื่อนไขแสดงว่าไม่ควรที่จะอ้างเวลาทําความผิดบ่อยเนี่ยอรอให้อภัยซึย่งอาญาเนี่ย กระดาอวีอาลิฟิรลนะเช่นเดียวกับสภาพเหมืันก็จะถูกกล่าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้เนี่ยประมาณอัยะเนี่ยอยะห้าสิบสี่ครั้งหนึ่งนะครับข้อแตกต่างมันจะเป็นยังไงเราต้องยกยอดไปเังผมว่าเนี่ยลำ้นสุภาโนวดาและเป็นหลังจะบอกว่าคือถ้าขืนมนุษย์ยังไม่ยอมสำนึกกูกลินนะ มึงจะเก่งแค่ไหนะวัคซีนนี่เขาก็จะทดลองเน่เป็นปีนั่นนะทดลองแล้วแล้วก็รนรนรงลงทุนยิ่งกว่ายิ่งกว่าวัคซีนตัวอื่นนะผบอกว่าไม่ไม่ไหวรู้กี่พันล้านดีหมื่นล้านอนะไรได้เจอวัคซีนนะพอเจอแล้วอะนะพอดีเลยนะได้วัคซีนสองสมตัวที่มันประสบความสำเร็จนะทังใหมนะะเอ๊ มันเหมือนเป็นข้อเตือนสตินะนมึงจะตื่นแค่ไหนถ้ามนุษย์ยังไม่สํานึกแล้วก็ไม่ผอมต้นเราแล้วทุกอาคิตนั้นมาฟาละสุ่ยอย่าได้เอาโทษเอาผิดกับเราด้วยความผิดด้วยกันแล้วเมื่อด้วยการยื้อยิงของคนอื่นเราเราสารภาพความผิดเราสารภาพความอ่อนแอของเราเราสารภาพว่าเราไม่มีทางรอดในวิกฤตนี้แล้วทุกวิกฤตนี้นอกจาก ق َ ا ي ل َ لَكَ م ي ت ه ا ت َ ق ر ُ ن َ س ل ى م ا ل ل ه ع ل ى ن ب ي ن م ح م د و ع ل ى ه ل ه ي و ص ح ا ب ه و س ل م ا م س ل ا م و ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه